ช่วงนี้เป็นช่วงทอดกะถินกันระยะเวลาทอดกะถินน่นเดือนหนึ่งวัดส่วนใหญ่กนะ็ทอดเสาร์อาทิตย์เอาใจโยมงั้งก็มีแปดวันวันเสาร์สี่วันอาทิตย์สี่วันทอดกะถินก็ดีเหมือนกัน ดีกว่าไม่ทอดมันคือการทำทานถือศีลดีกว่าอีกรักษาศีลไหมสูงกว่าฝึกสมาธิได้สงบชั่วแวบเดียวดีกว่ารักษาศีลทั้งนานเจริญปัญญา มันมีคุณประโยชน์มากกว่าการทำสมาธิสมาธิอย่างมากก็ทำให้เรามีความสุขสงบตายไปก็ไปเป็นเทวดาชั้นสูงหรือไปเป็นพรหมแต่ไม่ช่วยให้เรานิพันเรายังไม่พ้นทุกข์จริง หมดกำลังของสมาธิก็กลับมาเวียนว่ายไเกิดต่อการทำทานรักษาศีลทำสมาธิอะไรเนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ดีเหมือนกันแต่ความดีมันมีหลายระดับถ้าเราไปหยุด พึงพอใจอยู่ในระดับใดระดับห น, หนึ่งขึ้นมาไม่ถึงการเจริญปัญญาเรียกเราได้รับประโยชน์ไม่เต็มที่จากพระพุทธศาสนาอย่างบางคนพอใจอยู่แค่ทำทานมีนะเยอะเลยสบายใจได้แค่ทำบุญทำทานทอดกระถินทอดผ้าป่าใครมาเรื่ออะไรเขาดีใจอะไรอย่างี้ใส่ซอง พอใจแล้วชีวิตกะว่าเกิดชาติหน้าร่ำรวยแล้วก็อธิษฐานขอให้เป็นปัจจัยบรรลุพระนิพพานในอนาคตการนานไกลทำไมต้องไกลก็ไม่รู้มันยังอยากเกิดอีกไลยขออนิพพานอีกไกลๆ ไ, ไม่ต้องขอไกลแน่นอนนะลงทําแค่ทําทานนะนะไกลแน่นอน ือศีลก็ต้องระมัดระวังทำทานก็ต้องระมัดระวังไม่ทำสนองกิเลสถือศีลก็ไม่สนองกิเลสทำสมาธิอย่าให้สนองกิเลสหาจเจริญปัญญาเรียนรู้เท่าทันกิเลสไปเรื่อยวาเรามีปัญญาเนี่ยการทำทานของเราเนี่ยเราจะได้บุญมากขึ้น เวลารักษาศีลถ้าเรามีปัญญาด้วยนะเรจะได้บุญมากขึ้นเวลาทําสมาธิประกอบด้วยปัญญาเนี่ยจะได้บุญมากขึ้นบุญใดประกอบด้วยสติประกอบด้วย ป, ปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญที่ไม่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยอย่างเราทําทานนะถ้าเราทําโดยหวังผลตอบแทนอยากรวย เคยได้ยินว่าทําทานแล้วจะรวยที่จริงคนที่ทําทานได้มันรวยตั้งแต่แรกแล้วมันมีส่วนเกินที่จะทําทานได้คนมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านมันยังไม่พอมยังหิวอยู่มันยังจนอยู่ถ้าทําทานมีปัญญานะจะรู้ว่าเราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อลดละ ก, กิเลสลดละความเห็นแก่ตัว ทำเพื่อเจริญกุศลยิงเจริญเมตตากรุณาช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสาธิอื่นอะไรเงี้ยทำไปนะโดยมีปัญญาทำทานมีปัญญาทาเพื่อลดละกิเลสเพื่อเจริญกุศลอย่างนี้ทานอย่างนี้ได้บุญเยอะเพราะว่าประกอบด้วยปัญญารักษาศีลถ้ารักษาเพื่อสนองกิเลสกูจะได้ เป็นคนดีคุยจะได้เด่นเบอรคนอื่นเอาไปดูถูกเอาไปบลัฟคนอื่นว่าไม่มีศีลอันนี้ถือศีลเจือกิเลิได้บุญน้อยมันไม่สะอาดถือศีลประกอบด้วยปัญญาเรารู้ว่าเราถือศีลนี่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นถือศีลเนยเพื่อจิตใจเราจะได้มีความสงบเพื่อจะได้พัฒนาจิตใจ ให้สูงขึ้นไปถือศีลเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นาธาตุของกิเลสหยาบๆราคะโทสะโมหะมันแรงๆมันจะทำผิดศีลเรา่าถือศีลไม่ทำอย่างนี้เรียกว่าถือศีลแบบมีปัญญาได้บุญมากทำสมาธิไม่ใช่ทำเพื่อจะเอาความสุขความสงบอะไรหรอก ทำเพื่อให้ใจได้พักผ่อนมีกำลังที่จะเอาไปเจริญปัญญารู้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าทำไปเพื่อให้มีพลังมีพลังแล้วก็มีความสามารถที่จะเรียนรู้รูปนามกายใจได้อย่างนั้นถึงจะเรียกว่าทำสมาธิแล้วไดุ้ญเยอะทำสมาธิแล้วเห็นโนอนเห็นนี่ยิ่งฟุ้งซานหนักกว่าเก่าอีก คนที่นั่งสมาธินะแล้วไม่ประกอบด้วยปัญญาติดอยู่ในความสุขของสมาธิพอจิตถอยออกจากสมาธินะี่กิเลสมักจะแรงกว่าคนธรรมดาพวกเราเคยเห็นไหมพวกเข้าวัดนี่กิเลสแรงมากเลยยิ่งพวกนั่งสมาธินะกิเลสแรงเซลจัดเพราะนั้นะมันไม่ได้ประกอบในสติปัญญาในการทำสมาธิคิดว่าทำแล้วมันเหนือกว่าคนอื่นมันแน่กว่าคนอื่น หรือติดอกติดใจในรสชาติของความสงบจิตมันติดใจในรสชาติของความสงบแล้วพอมันสูญเสียความสงบไปนิดเดียวเท่านะั้นมันทุรนทุรายละอารมณ์ร้ายยิ่งกว่าคนปกติอีกเคยมีคุณยายท่านหนึ่งนะเป็นลู้สิกิ์ครูบาอาจารย์เดียวกับหลวงพ่อแต่ท่านอายุมากหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์รุ่นหลังๆของครูบาอาจารย์ คุณยายเนี่ตามครูบาอาจารย์มาตั้งแต่ยังเด็กๆยังสาวๆอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์มาอยู่จันทบุรีเข้ามาครูบาอาจารย์ลงไปอยู่พัางงาก็าลงไปไปภูเก็ตเก็ไปขึ้นมาเห็นมะเป้งอะไรนี่ครับตามมาเรื่อยๆฝึกสมาธิมาหลายสิบปีฝึกสมาธิมามากกว่าอายุหลวงพ่ออีก วันหนึ่งคุณยายก็ให้ลูกหลานาพาไปที่ส่วนโพที่เมืองกางไปหาหลวงพ่อรู้ว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศเหมือนกันแล้วก็ฟังสีดีนะยุคนั้นน่าจะยังไม่มีไม่มีวีดีโอไม่มีอะไรนะมีแต่เทปชุดแรกๆได้ฟังเทป รู้ว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยทำแต่สมาธิไม่ได้เดินปัญญา่อครูบาอาจารย์ก็เคยเตือนว่าให้เจริญปัญญาไม่เข้าใจ้็มาหาหลวงพอ่อช่วงตั้งแปดสิบเจ็ดประมาณนั้นบอกว่าให้ท่านอาจารย์ช่วยสอนการเจริญปัญญาหนะ่อยหลวงพอ่อดูแล้วโอ้คุณยายติดสมาธิมาร่วมหกสิบปี มันไม่ธรรมดานะจิตเข้าถึงอรูปสบายๆเลยนะทำสมาธิปุ๊บโลกธาตุดับเลหลือแต่จิตดวงเดียวเลยชำนี้ชำนานมากชำนานกว่าหลวงพ่ออีกเพราะพลังฝึกปรือเนี่ยยาวนานมากหลวงพ่อดูแล้วถ้าแก้ให้คุณยายคุณยายหลุดออกมาจิตหลุดออกจากฌานที่ทรงอยู่นะ กิเลสที่ซ่อนเอาไว้หลายสิบปีนี่จะพุ่งขึ้นมาเลยเราไม่รู้ว่าคุณใยนี้จะมีอายุอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่ถ้ายังหนุ่มอย่า ง, งสาวยังกลางๆงคนอะไรหลวงพ่ อ, อยังพอเสียงแก้ให้ได้แต่คุณใหย่อายุจะเก้าสิบอยู่แล้วจิตที่เคยสงบอยู่หลายสิบปีเนี่ยพอถอยออกมานะกระทบอารมณ์นี้เดีย ว, วนะั้น มันจะเหมือนลูกระเบิดเนีลยเหมือนดินระเบิดอยู่ใกล้กองไฟพร้อมจะระเบิดแล้วถ้าคุณใหญ่ก้าวต่อไปไม่ทันตายไปด้วยจิตเจอด้วยโทสะเนี่ยไอ้ที่ฝึกมาตลอดชีวิตเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้ภูมิที่จะไปคือนรกเนั้นพวกพรหมตกนรกเยอะนะ พ, พรหมไปตายแล้วตกนรกง่าย ใจมันกระทบอะไรนิดเดียวทนไม่ได้เหมือนคนอยู่ในห้องปลอดเชื้อมานานออมมากระทบโลกข้างนอกนี้คนอื่นเขาหาัดเฉยทีเดียวทีนี้ตายเลยเป็นวัตรรักษาไม่ได้แล้วตายไม่มีภูมิต้านทานจิตที่ไปติดความสุขสงบของสมาธินานๆขาดภูมิต้านทานม่ทนกิเลสไม่ไหว เน้นมันไม่ใช่มีแต่ข้อดีนะสมาธิมีข้อเสียด้วยต้องระมัดระวังเราทําสมาธิเนี่ยเพื่ออะไรต้องตั้งหลักให้ดีก่อนไม่ใช่เพื่อความสุขความสงบไม่ใช่เพื่อจะดีกว่าคนอื่นความสุขความสงบไม่เที่ยงดีกว่าคนอื่นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรจุดสาคัญของการทําสมาธินั้นเพื่อให้มีกําลัง มีความสามารถมีความพร้อมที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่จะเจริญปัญญาเงั้นอย่างบางท่านทําสมาธินะพุโทโธไปจิตรวมเงยียบสบายใจแต่ละวันแต่ละวันนะั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบทุกวันทุกวันครูบาอาจารย์ยอมไม่ได้นะครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ยอมคืออ่านประวัติหลวงตามหาบัวลงไปอ่านประวัติของท่านดูนะท่านอยู่กับหลวงปู่มั่น สมัยแรกๆที่เข้าไปอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนพุทธโธ ท, ท่านก็พุทธโธแล้วทุกวันหลวงปู่มั่นจะถามว่าท่านมาหาเป็นไงบ้างท่านบอกสงบสงบไปเรื่อยๆทุกวันสงบเรื่อยๆถูกดะหลวงปู่มั่นดูว่าเป็นฤาษีไปแล้วให้เจริญปัญญาท่านก็มาเจริญปัญญานะทีแรกพุทธโธสิสงบพุบจนเจริญปัญญาออกมาพิจรารณาร่างกายเนี่ย มันออกมาดูกายแวบเรียวกับเขราไปหาความสงบอีงต้องฝืนมากเลยทีแรกจิตมันติดสงบนี่พอท่านเจริญปัญญาคล่องแคล่วแล้วทุกวันก็รายงานหลวงปู่มั่นว่าเจริญปัญญาได้ๆไม่ทำสมาธิเลยมุ่งไปที่ปัญญาอย่างเดียวเลยสนุกสนานเพลิดเพลินในการเจริญปัญญาถูกดูอีกนานๆนนไปถูกดูอีกว่าจิตไม่มีกาลังละ ต้องกลับมาทําความสงบให้บอกทําความสงบรอบนี้ทํายากนะพอจิตจะสงบนิดเดียวมันดิดตัวออกไปจเจริญปัญญาอีกแล้วนะต้องฝืนอีกเหมือนที่แรกนะติดสงบนะต้องฝืนให้เดินปัญญาพอมันเดินปัญญาช่ำชองแล้วต้องฝืนให้มันสงบอีกเพราะจิตของท่านโลดโผนจิตบางคนไม่ลดผลนะอยากทําสมาธิก็ทํำง่ายอยากจเจริญปัญญาก็จเจริญได้จิตไม่เพียงแรง ่ครูบาอาจารย์ที่ปัญญาบารมีท่านมากจิตท่านเบี่ยงแรงหลวงตามหาบัวไม่ใช่พระธรรมดาธรรมดานะเหนือกว่าพระธรรมดาเยอะเลยงันจิตท่านในโลดผลมากสรุปก็คือทำสมาธิในการทำไปเพื่อให้มีแรงมีกำลังมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาเท่านั้นแหละไม่ได้ทำเพื่อ ความสุขความสงบอะไรหรอกทาไปเพื่อความสุขความสงบนะก่อนพระพุทธเจ้าก็มีในการเจริญปัญญานี่มีเมื่อมีพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เอาสิ่งดีๆที่นักปรารุ่นโบราณ เ, เขาคิดไว้อยการทําทานการรักษาศีลการทาสมาธิท่านเอามาใช้แต่ของท่านประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยสติปัญญาทําทานเพื่อลดละกิเลส รักษาศีลเพื่อลดลากิเลสเจริญปัญญาคือเพื่อลดลากิเลสไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสเพราะงั้นเราต้องตั้งหลักให้ดีว่าเป้าหมายปลายทางของเราเนะั้ยเราจะต้องพ้นจากกิเลสให้ได้กิเลสนั้นแ่ะมีหลายระดับนะกิเลสห ย, ยาบยาบโกรธแร ง, แ, รงแทบจะฆ่าเขาแล้วอย่างเงี้ยนะหรือราค้ารุนแรงแทบจะไปเป็นชู้กับเขาแล้วแทบจะนอกใจเมียอย่างเงี้ยนะหรือนอกใจสามี กิเลสเอง ไ, ไม่รู้จะทาอะไรก็คมไว้ด้วยการถือศีลค่มเอาไวนะ้หรืออย่างการทําทานนีนะ่ทำด้วยมีปัญญานะทําเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นช่วยเหลือด้วยความเมตตากรุณาอนะไรอย่างนี้อันนี้ประกอบด้วยปัญญาทำแล้วธรรมะของเราเจริญนะทําเราศีลธรรมของเราดีขึ้นสติปัญญาดีขึ้น อย่างนี้ควรทำถ้าทำแล้วกิเลสเพิ่มขึ้นอย่าไปทำเลยเสียเวล า, นะางั้นเราทำอะไรนะมีสติปัญญากำกับใจของเราไว้ให้ดีเลยที่เราจะทำทานเนี่ยทำเพื่อสนองกิเลสหรือทำเพื่อลดลากิเลสลดละกิเลสเช่นความตกรหนีของเราไม่ใช่ทำทานเป็นเงินมากๆเรแล้วจะได้บุญมากนะ อาจจะได้บุญนิดเดียวเลยเพราะว่าไม่ประกอบด้วยปัญญารักษาศีลก็เหมือนกันประกอบด้วยสติปัญญานะทำไปเพื่อให้อากุศลลด ล, ลงเพื่อให้กุศลเจริญขึ้นทำสมาธิก็เพื่อให้กุศ ล, ลเจริญขึ้นนะให้อากุลมันลดลงอะไรค่อยๆฝึกรู้เท่าทันตัวเองไปเรื่อยๆอย่างหลวพ่อภาวนาหลงพ่อเมื่อครัําอนาปานาสติ แต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาทำสมาธิเนี่ยด้วยใจโลภหวังว่านั่งสมาธิไปเรื่อยๆวราวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานอยากได้มรรคผลนิพพานใจยังโลภอยู่นั่งไปมันก็ได้แค่สงบแยกขันได้แต่ไปต่อไม่เป็นเพราะว่ามันแยกขันอัตโนมัติเนื่องจากการนั่งสมาธิมีอยู่คราวหนึ่ง นั่งแล้วร่างกายหายไปเหลือแต่จิตลงเดียวโรคทั้งโรคนี่หายไปหมดเลยเหลือแต่จิตลงเดียวถ้าจิตถอยออกจากสมาธิตั้งแต่วันนั้นเนี่ยคันแยกตลอดชีวิตมาแยากมาไม่เคยรวมอีกเลยมันจะเห็นร่างกายมันถูกรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราตรงที่ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยตอนนั้นยังไม่เห็นเห็นแค่ร่างกายกับจิตนั่งคุานกันแยกตลอด ด้วยใจเนี่ยเป็นผู้รู้อยู่ตลอดแต่มันเดินปัญญาไม่เป็นไม่รู้ว่าพอใจเป็นผู้รู้แล้ววิธีเดินปัญญาก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่แหละใจที่เป็นผู้รู้เนี่ยคือใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ได้ใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางมาแล้วแต่ไม่รู้วิธีเจริญสติไม่รู้วิธีที่จะเอาสติไปรู้กาย รู้ใจเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์มีสติรู้กายมีสติรู้ใจเป็นสมถะกรรมฐานนะต้องระวังเพราะนอย่างบางคนดูท้องพองยุบบอกว่าทํำวิปัสสนาสมถะถ้าดูท้องแล้วเป็นสมถะแน่อนอนพุทโธก็เป็นสมถะรู้ลมหายใจก็เป็นสมถะเดินจงกรมเห็นร่างกายเดินก็เป็นสมถะจะเป็นวิปัสสนาต่อเมื่อเห็นไตรลักษณ์ เห็นว่าตัวที่เดินอยู่เนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวที่หายใจอยู่นี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่รู้รูปที่เดินนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่รู้ร่างกายที่หายใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยเนี่ยทั้งจิตทั้งสิ่งที่ถูกจิตรู้สิ่งที่ถูกจิตรู้มีภาษาเรียกว่าอารมณ์จิตกับอารมณ์ลืม มันหยัดในโลกเท่าชั่วคราวนะคำว่าอารมณ์ในทางโลกเราคืออิโมชันความรู้สึกทั้งหลายอารมณ์ในทางศาสนาพุทธเนี่ยคืออ็อบเจกต์สิ่งที่ถูกรู้จิตคืออะไรคือ subject คือตัวที่เป็นผู้รู้อารมณ์เป็นของคู่กันมีจิตก็มีอารมณ์ เวลาเราภาวนาที่บอกแยก ข, ขันแยก ข, ขันได้ต้องแยกให้มีจิตกับอารมณนะ์เพราะฉะนั้นขันหนึ่งที่แยกได้คือจิตต้องมีอีกขันหนึ่งจะเป็นกายก็ได้นะนนี้ถูกจิตรู้เป็นอารมณ์ของจิตความรู้สึกสุขทุกข์แยกออกไปเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ได้นะเป็นอารมณ์ให้จิตรู้ความดีความชั่วทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่จิตรู้เป็นอารมณ์ทั้งหมด ฉะนั้นความสุขความทุกข์ก็เป็นอารมณ์ความดีความชั่วก็เป็นอารมณ์ร่างกายก็เป็นอารมณ์นิพพานก็เป็นอารมณ์เรื่องราวที่เราคิดก็เป็นอารมณ์อารมณ์มีหลายชนิดนะมีอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดเรื่องราวที่เราคิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกจิตรู้ไหมจิตเป็นคนรู้ใช่ไหมเรื่องที่คิดเพราะฉะนั้นเรื่องที่คิดเป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์บัญญัติ รู ป, ปรธรรมอย่างเราเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายเป็นอารมณ์นะเป็นรูปเป็นอารมณ์ความรู้สึกทั้งหลายนามธรรมทั้งหลายโลภโกรธหลงสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเป็นของถูกรู้งั้นเป็นอารมณ์จิตเป็นคนรู้เนี่ยหัดแรกๆนะหัดแยก ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ออกจากกันมีจิตจะมีอารมณ์ในีนี่จะเรียกว่าเราแยกเป็นคาว่านารูปปริเฉยทะยานแยกรูปแยกนามไม่ใช่แยกร่างกายแยกสุขทุกข์แยกดีชั่วได้แล้วแค่นี้พอละจะต้องมีแยกจิตออกมาเป็นคนรู้ได้ด้วยถ้าไม่มีตัวผู้รู้คือไม่มีจิตนะเราัวแต่สนใจดูที่ตัวอารมณ์เนี่ยมัรผลจะเกิดไม่ได้ พราะมัรผลเกิดที่จิตเท่านั้นไม่เกิดที่อื่นไม่เกิดที่อารมณ์เกิดได้ที่จิตเรนั้นเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยมีจิตเป็นคนดูไว้ร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูจิตใจเคลื่อนไหวจิตใจเป็นคนดูแล้วใครเป็นคนดูจิตจิตเป็นผู้ดูไปแล้วแล้วใครเป็นผู้ดูจิตจิตเป็นผู้ดูจิตองค์ูดถึงใช้คาว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมร จิตนั้นมีธรรมชาติรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวอย่างครั้งแรกเราไปเห็นสาวสวยจิตไปเห็นสาวสวยนะจิตที่ไปรู้รูปจิตที่ไปเห็นผู้หญิงสวยเนี่ยไม่มีราคาโทสะโมหะจิตต้องส่งสัญญาณนะเข้ามาคิดก่อนพิจารณาอุ mm hmm. ้ยคนนี้สวยถูกใจก็นะจะเกิดจิตที่มีกิเลสลบกรดลงอะไรขึ้นมาเนี่ยกิเลสจะเกิด ในขณะที่จิตดวงที่มีกิเลสเกิดขึ้นนะจิตดวงที่ดูรูปเนี่ยได้ดับไปแล้วนะแล้วจิตที่โลภเกิดขึ้นเห็นผู้หญิงสาวมาแล้วจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือจิตมีราคะนะแล้วมันก็เกิดสติขึ้นมาเป็นจิตดวงใหม่ที่มีสติขึ้นมารู้ว่าจิตตกี้นี้มีราคะเนี่ยจิตมันจะเห็นจิตแต่ว่ามันจะเห็นจิตที่ร่วงไปแล้ว ที่ผ่านไปแล้วสดสดร้อนๆงั้นจิตเนี่ยมีสถานะได้สองอย่างสถานะที่เป็นจิตจิตในปัจจุบันเนี่ยมีสถานะเป็นจิตคือเป็นตัวผู้รู้อารมณ์จิตที่ล่วงไปแล้วตกไปสู่สถานะของอารมณ์สูญเสียความเป็นจิตแต่กลายเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้งั้นเวลาที่เราจะดูขันห้านะตัวรูปเนี่ยเราเห็น ตัวรูปมันถูกรู้จิตเป็นคนรู้ตัวรูปกับจิตไม่คนล่านกันตัวสุขทุกข์กับจิตเที่ยวคนล่านกันตัวเบทนานตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็ถูกรู้จิตเป็นคนรู้มันคนล่านกับจิตแต่ตัวจิตเองเนี่ยเราจะเห็นจิตดวงที่แล้วที่เพิ่งดับไปสดๆ ร, ร้อนๆมีดวงใหม่เกิดขึ้นอย่างจิตเมื่อกี้หลงไปคิดจิตขณะนี้รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิด จิตเมื่อกี้หลงไปดูเกิดจิตดวงใหม่รู้ว่าจิตเมื่อกี้หลงไปดูนะมันจะตามไปแบบนี้เรื่อยเรเรียกว่าปัจจุบันสันตติการดูจิตจะเป็นปัจจุบันสันตติคือสืบต่อกับปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันขณะการดูกายเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะได้นะดูตัวอื่นเนี่ยเป็นปัจจุบันขณะได้เพราะจิตเป็นคนไปดูแต่จิตจะไปดูตัวจิตเองเนี่ยมันทาไม่ได้ จิตมันทำงานได้แค่ว่ามันเป็นผู้รู้อารมณ์นี่ม่จะไปรู้จิตเนี่ยมันต้องดูจิตตัวที่ดับไปแล้วที่เพิ่งดับสดสดร้อนๆ้อนี่บางคนบอกโอ้ยูจิตไม่ได้นะใช้ไม่ได้ไม่เป็นปัจจุบันเขาเรียกว่าปัจจุบันสันติไม่ใช่ปัจจุบันขณะปัจจุบันมีสองอันนะปัจจุบันขณะคือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันสันติคือล่วงไปแล้วสดสดร้อน เพราะงั้นเวลาที่เราดูกายเนเรากำลังหายใจออกดูได้ไหมกาลังหายใจออกดูได้ไหมกาลังหายใจเข้าดูได้ไหมกำลังมีความสุขดูได้ไหมกำลังมีความทุกข์ดูได้ไหมดูได้แต่จะดูจิตโอ้จิตตัวนี้วิ่งไปดูเราจะดูจิตที่วิ่งไปดูไม่มีให้ดูแล้วมันไม่มีให้ดูแล้วการดูจิตเนี่ยดู ต่อเนื่องกับปัจจุบันเรียกว่าปัจจุบันสันตินะสังเกตดูมันจะมีคําว่าแล้วจิตดวงที่แล้วเป็นจิตหลงหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดมันหลงไปแล้วเราถึงได้รู้ว่ามันหลงไปแล้วมันโกรธไปแล้วเราถึงรู้ว่ามันโกรธไปแล้วงั้นดูจิตไม่มีคําว่าแล้วนะโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วสุขแล้วทุกข์แล้วเนี่ยจะดูไล่นี้ดูตัวจิตนะ แต่ถ้าดูตัวสุกเนี่ยดูตัวเวทนานี่มันเป็นตัวอารมณ์อยู่แล้วโดยตัวของมันเองอยู่แล้วก็กำลังมีความสุขทำได้ไหมทำได้กำลังมีความทุกข์ทำได้ดังนั้นจิตกับอารมณ์ไม่เหมือนกันนะจิตเนี่ยเราจะดูจิตได้ก็ต่อเมื่อเกิดจิตดวงที่มีสติปัญญาไปเรียนรู้จิตดวงเก่าที่ดับไปสดๆหนอน วิธีดูไม่เหมือนกันการดูจิตกับดูอารมณ์ไม่เหมือนกันดูอารมณ์เนี่ยเป็นปัจจุบันเดีย๋ยวนี้ดูได้แต่ดูจิต ด, ดูไม่ได้แต่ตรงนี้มันประณีตมากนะเพราะว่าปกติจิตกับอารมณ์มันอยู่ด้วยกั น, นจิตที่กโกรธนะมันก็อยู่กับอารมณ์ที่กโกรธแต่มันเกาะกันอยูนะ่นี่เราจะเห็นความโกรธกับอารมณ์แยกออกมาจากกันอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าตัวโกรธเนี่ย มันถูกรู้อยู่นะมันรู้ได้เพราะมันมันแยกออกจากตัวจิตแล้วนะจิตเป็นคนรูนะ้ตัวนี้ต้องค่อยๆเรียนค่อยๆดูนะค่อยๆนะฝึกไปตัวนี้ยังดูไม่ยากตัวที่ดูยากคือตัวจิตที่เป็นคนรู้เนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลานะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะรู้ได้ต่อเมื่อตัวเก่ามันดับแล้วตัวใหม่เกิดขึ้นแล้วตัว ตัวใหม่เนี่ยไปใช้ตัวเก่าเป็นอารมณ์เป็นของถูกรู้นีมันเสียสถานะจากผู้รู้กลายเป็นของถูกรู้ไปแล้วมันเกิดตัวผู้รู้ใหม่ขึ้นมาผู้รู้สอนผู้รู้ไปเรื่อยๆยากไปไหมถ้ายากไปโอ้ยากรู้สึกยากรู้สึกท้อแท้ใจรู้ว่าท้อแท้เนี่ยอย่างนี้ง่ายๆนะ สังเกตไหมตอนที่ตั้งใจฟังจิตเป็นแบบหนึ่งตอนที่หลวงพ่อเปลี่ยนเรื่องจังหวะการพูดนะจิตเราเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งรู้สึกไหมจิตขณะนี้ฟุ้งซ่านกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มีสมาธิจดจ่อในการฟังรู้สึกไหมเนี่ยจิตเมื่อกี้จดจ่อในการฟังจิตดวงนี้ฟุ้งซ่านกว่าตะกี้นี้ตอนนี้คิดอุดตลุดเลยรู้สึกไหมถ้ามีจิตดวงใหม่เป็นผู้รู้ขึ้นมาก็จะรู้ว่าหุ้จิตตะกี้นี้คิดอุดตลุดเลย มันจะเปลี่ยนเป็นช็อตช็อตช็อตนะมันจะเปลี่ยนเป็นช็อตช็อตเลยเหมือนดูฟิล์มหนังกระตูนนะ่ะฟิล์มหนังเนี่ยแต่และรูปไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ว่ารูปที่ฉายออกไปเกิดแล้วดับเกิดรูปใหม่ขึ้นมาแทนมันเลยเกิดภาพลวงตาเหมือนตัวกระตูลนะันมีตัวละครอยู่ตัวเดียวแหละแล้วเคลื่อนไหวไปได้ที่จริงมันคือรูปจํานวนมากมาต่อกัน จิตนี้ก็เหมือนกันนะเกิดดับอย่างรวดเร็วอะไรที่ไช็อตที่ไรช็อตที่ไรช็อตแต่สติปัญญาเราไม่ทันเราก็ไปหลงดูเหมือนดูจอหนังเนกะ็เห็นภาพอะไรมากมายที่แท้มันประกอบด้วยรูปจำนวนมากที่เกิดขึ้นจิต ท, ที่ไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรไดนะ้ประกอบด้วยจิตจำนวนมากทำงานต่อเนื่องกันไปน้นดูจิต ท, ที่ตัวจิตจริงๆดูยากนะละเอียด ละเอียดมากขั้นแรกดูของที่ดูได้ก่อนเห็นไหมร่างกายมันถูกรู้ใครไม่รู้ว่าขณะนี้กําลังนั่งอยู่บ้างมีใครไม่รู้ว่ากําลังนั่งอยู่เห็นไหมมีคําว่ากําลังถ้าไม่รู้ไปปรึกษาจิตแพทย์ได้แล้วเห็นไหมกรรมฐานไม่ใช่เรื่องยากเลยรูปนี้กําลังนั่งอยู่คนทั่วไปมันก็นั่งเราก็นั่งเหมือนกันแล้วต่างกันตรงไหน ตั้งกันตรงที่เรามีจิตเป็นคนรู้ว่าตอนนี้รูปมันนั่งอยู่คนทั่วไปมันไม่มีจิตที่รู้ว่ารูปมันนั่งอยู่มันแยกไม่เป็นแยกรูปกับนามไม่เป็นแยกจิตกับอารมณ์ไม่เป็นนี่เราฝึกนะเรามีจิตที่เป็นคนรู้แล้วก็เห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินทำงานอะไรต่ออะไรเคลื่อนไหวเนี่ยหนุ่มที่ใส่แว่นเมื่อกี้นีจิตหนีไปแล้วรู้สึกห มันไหลแบบไม่ห้ามนะถ้าห้ามจะเป็นอย่างตอนนี้มันจะแน่นนะจะอึดอัดมันจะแน่นปล่อยให้มันทำงานไปพอนานได้ดีนะเราแบบเข้าตาเข้าตานะบางคนบางคนนะเห็นปุ๊บอยากหลับตาเลยจนะนดูลำบากนะต่อไปไปกินข้าว เวลาไปกินข้าวเห็นไหมพอพูดได้ยินคำว่าวกินข้าวจิตยังเปลี่ยนเลยนะไปกินข้าวยังไม่ได้ตกละนะแต่รู้สึกไหมจิตมันเปลี่ยนจังหวะเลยเปลี่ยนลีลาอาการของมันเลยนะงั้นหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นจิตก็เปลี่ยนใครที่อยู่ใกล้ๆลองสูตรกลิ่นอาหารซิแลดูว่าจิตจะเปลี่ยนห แต่ถ้าจ้องอยู่ที่จิตแล้วล้วสูดให้ไปดมขี้หมาจิตยังไม่เปลี่ยนเลยะนะเพราะเราไปเพ่งไว้ก่อนเพราะฉะนั้นจิตนี่อย่าไปเพ่งใส่มันปล่อยให้มันทำงานไปตามธรรมชาตินะไปกินข้าบได้ละไปกินข้าวก็ดูกายดูใจไปนะนิมนต์เลยครับ